เออเดี๋ยวหลวงพ่อมี ม, มีมีนิทานเล่าไว้ฟังหลวงพ่อเคยเคยเล่าในในตอนที่เทศที่วัดอะนะแต่ว่ายังไม่เคยเล่ามาในในกลุ่มของกับเ้าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้มีมันมีสํานักปฏิบัติธรรมอยู่แห่งหนึ่งนะก็อยู่ในป่าแหละอยู่ในป่าลึกป่าที่แบบไกลผู้คนแต่เป็นสํานักที่โอเคเป็นที่ยอมรับนะเพราะถือว่าเป็นสํานักกรรมฐานที่ เมือนว่าไปปฏิบัติแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดปัญญาแล้วก็เป็นทางพ้นทุก์ได้แล้วอาจารย์ก็เป็นที่พอรู้จักของคนโดยกว้างขวางแล้วแหละก็มีมาอยู่ค้าวหนึ่งมีโยมเขาเป็นเขาเป็นว่าเขาเขามาด้วยกันก็แล้วกันเขาเป็นเพื่อนกันนะเนาะผู้ชายเนี่ยแล้วทีนี้ก็มามาพบอาจารย์ในในสำนักที่อยู่ในป่าเนี่ยแต่นี้อาจารย์เนี่ยก่อนที่จะรับนะ ก่อนที่จะรับให้มาอยู่ปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะต้องทดสอบภูมิภูมิธรรมก่อนถ้าใคยผ่านการทดสอบก็จะรับไว้แต่ถ้าใครสอบไม่ผ่านก็คือต้องให้กลับไปวิธีทดสอบของอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้นกจะให้นกคนละตัวแล้วก็ไปฆ่านะไปฆ่าแต่มีเงื่อนไขว่าตอนที่ฆ่านกเนี่ยจะต้องไม่มีใครเห็นจะต้องไม่มีคนเห็นนะ แต่ถ้ามีคนเห็นนะฆ่าไม่ได้ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ชายคนแรกก็รับนกไปแล้วก็ไปนะหลีกหลีกไปเข้าว่าเข้าไปที่ไม่กะว่าที่ไม่มีใครเห็นก็พอไปเสร็จแล้วไอ้ไอยมคนเนี้ก็ก็ต้องมองเนี่ยนะโดยธรรมชาติของเราเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละต้องดูว่าเมีใครเห็นเราเปล่าวะเดี๋ยวเราจะจะฆ่านกก็ปรากฏว่าชายคนเนี้ไม่เห็นใครเลยชายคนนี้ก็จัดการฆ่านกเรียบร้อย แล้วก็เอามาให้อาจารย์ว่าค่าแล้วส่วนชายคนที่สองพฤติกรรมก็คล้ายๆคนแรกเข้าไปแล้วก็ไปดูดูว่ามีใครไหมดูลอบรอบๆปรากฏว่าไม่มีใครเหมือนกันแต่เห็นตัวเองขึ้นมาก็หมายความว่าเห็นว่าตัวเองจะฆ่านกเห็นเห็นว่าตัวเองจะฆ่านกพอปิ้งเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วโอ้ยังฆ่าไม่ได้เพราะยังมีผู้เห็นเราอยู่เนี่ย เรากำนกเราจะฆ่านกแต่มันมีผู้เห็นเราโอ้ยจะลบจะซ่อนอยังไงไม่ได้มันมีผู้เห็นเราตลอดเลยว่าเราจะฆ่านกก็เลยมาบอกอาจารย์บอกผมฆ่าไม่ ไ, มได้เพราะว่ามีผู้เห็นเราอยู่มีผู้เห็นเราฆ่ามีผู้เห็นเราที่จะฆ่านกซึ่งกรณีตรงนี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นว่าคนแรกเขาอ่ะมัวแต่ไปดูว่ามีใครเห็นเราไหมปรากฏว่าเขาไม่เห็นใครแต่เขาไม่เห็นตัวเอง พอไม่เห็นตัวเองปั๊บก็ไปเชื่อว่าไม่มีคนเห็นก็เลยฆ่านกส่วนชายคนที่สองนะมองข้างข้างนอกก่อนว่าไม่มีใครแต่เห็นตัวเองดิเห็นตัวเองปั๊บก็ตีความเหมือนกับว่าเข้าใจเลยว่ามีผู้เห็นเราพอมีผู้เห็นเราก็เลยฆ่าไม่ได้เพราะมันผิดเงื่อนไขอาจารย์บอกว่าต้องไม่มีผู้เห็นต้องไม่มีผู้เห็นเราฆ่านกก็เลยบอกอาจารย์บอก ผมฆ่าไม่ได้เพราะว่ามีผู้เห็นผมสุดท้ายอาจารย์ก็รับคนไหนฉลาดกว่าโยมว่าในความรู้สึกของโยมอะคนแรกหรือคนที่สองอนะเนาะพอมองออกเนาะเพราว่าคนไหนฉลาดกว่าคนแรกเนี่ยไม่รู้ตัวคนไม่รู้ตัวอย่างเี้ยก็ทดสอบแล้วไม่ผ่านคนที่สองรู้ตัวเป็นโอ้มีปัญญามีภูมิธรรมก็เลยรับไว้ให้อยู่สํานักปฏิบัติทีนี้โยมฟังแบบนี้แล้วเนี่ยโยมพอเข้าใจแล้วยังว่าไอ้รู้ตัวเองกับไม่รู้ตัวเองมัน มันต่างกันยังไงอ่าใครจะมาพูดในประเด็นนี้หลวงพ่อเล่าเนี่ยบางคนเขาฉลาดนะเขาเห็นภาพเลยเนาะบอกอ้อไอ้ไม่รู้ตัวคือแบบนี้รู้ตัวคือแบบนี้แล้วคนที่รู้ตัวรู้ตัวเป็นเขาเข้าใจเลยนะว่าไอ้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แต่ไอ้ผู้ที่มารู้เรามันไม่มีตัวตนอะไรเลยมันไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีอะไรแต่รู้เราได้เนี่ยพวกยอมกาเข้าใจตรงนี้นะแล้วก็ก็ทําให้แจ้งในตรงเนี้ยแจ้งคือ รู้เราหรือหัดเข้าไปป่าก็ได้ไปไปเอาลูกไก่ไปตัวหนึ่งเอ้ยเราจะบีบคอลูกไก่นะเดี๋ยวถ้าไม่ใครเห็นเราจะบีบรับรองเอะมันต้องมีคนเห็นโยมว่าว่าโยมจ ะ, จะบีบคอลูกไก่แล้วจะมีผู้เห็นโยมและจะชํานาญขึ้นเหรอกาเนี้ยอืมจะชนานาญคือส่วนใหเวลาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายิ่งเรารู้สึกว่าโอ้เรจะทําความผิดหรืออะไรสักอย่างที่ไม่อยากให้คนรูอะ่ะอันนั้นนะคะ่ะจะทําให้รู้สึกว่าชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทํา โดยปกติอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะลองลองฝึกกับอะไรที่อย่างเช่นเฮ้ยเหมือนเราจะไปทําอันเนี้เราจะทําให้ผู้อื่นคิดว่าเ enfin. ราร er ู้สึกผ well. ิดอย่างเงี <c oughs> ้ยค่ะม Man so ันจะจะชัดเจนมากกว่ายอมยอมยอมอิงนะยอมอิงเมื่อกี้หลวงพ่อเล่านิทานธรรมะไม่รู้ได้ฟังทันหรือเปล่าหลับมานสการพหลุงพ่อหลวงพ่อเล่านิทานธรรมะเนาะคืออย่างนี้มันมี สำนักปฏิบัติธรรมอยู่แห่งหนึ่งก็เป็นที่มีชื่อเสียงแหละเนาะเป็นสำนักที่โอเคใครได้เข้าไปปฏิบัติแล้วจะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมนะแต่ว่าสำนักเนี่ยมันอยู่ <c oughs> มันอยู่ในป่า <c oughs> อยู่ป่าลึกๆอ่ะผู้คนไปพุกพ่านทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งก็มีชายสองคนเนาะคงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาเพื่อที่จะมาขอมาขออาศัยอาจารย์เพื่อมาอยู่ปฏิบัติธรรมทีนี้ ก่อนที่จะรับเข้าอยู่ในสำนักเนี่ยอาจารย์จะต้องทดสอบภูมิธรรมในเบื้องต้นก่อนทีนี้วิธีทดสอบก็เจ้าสำนักก็บอกว่าเนี่ยนะให้ทุกคนให้แต่ละคนเนี่ยเอานกนะเดี๋ยวจะแจกนกคนละตัวแล้วก็ไปฆ่าแต่มีเงื่อนไขว่าการที่จะฆ่านกได้เนี่ยจะต้องไ ม, ม, ไ ม, มนะ่มีจะไม่มีผู้เห็นเรานะอืมจะไม่มีผู้เห็นเราทีนี้ปรากฏว่าชายสองคนก็รับนกกันคนละตัว เอกชายคนแรกก็ไปเดินไปอีกทางหนึ่งเพื่อเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้คนเห็นนะเพื่อไม่มีใครเห็นว่าเราจะฆ่านกทีนี้ปรากฏว่าเมื่ อ, เ, อเดินเขาเรียกว่าเข้าไปในป่ายิ่งอาจจะลึกไปห่างไกลผู้คนนะเนาะแล้วก็ดูรอบตัวนะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองหมดไม่เห็นใครแล้วก็ตัวเองก็เลยเชื่อว่าอ้าไม่มีใครเห็นก็เลยจัดการเสียเลยฆ่านกนะ ส่วนชายคนที่สองชายคนที่สองเนี่ย mm. ก็พฤติกรรมคล้ายๆกันนั่นแหละคือก็ไปเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วก็หันสายแหลวกว่าดูหน้าดูหลังก็ไม่มีใครแต่พอตัวเองจะฆ่านกแค่นั้นแหละก็เกิดอะไรละ่ะเขาเรียกว่าเกิดรู้ขึ้นมาว่าโอ้ยมีผู้เห็นเราว่าเราจะฆ่านกแล้วพอจะฆ่าเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมีผู้เห็นเรานะว่าเราจะบีบคอนกเลยเนี่ยจะทําให้ตายเนี่ย ก็เลยอาจจะทวนๆซ้ําๆอะบอกเฮ้ยทำไมมีมีเหมือนกับ oh ว่ามีสิ่งที่มารู้เราทุกครั้งเลยพอเราจะฆ่านะอืมจะเดินหลบยังไงจะไปซ่อนตัวที่ไหนก็มีผู้รู้เราทุกทีเลยว่าเราจะฆ่านกว่าเราจะฆ่านกก็เลยไม่กล้าฆ่าเพราะเหตุว่ามีผู้เห็นเราอยู่กลงชายคนที่สองคนที่หนึ่งคนที่สองก็ไปบอกอาจารย์บอกชายชายคนที่หนึ่งบอกว่าอ๋อผมฆ่านกเรียบร้อยเพราะไม่มีใครเห็น ส่วนชายคนที่สองบอกผมไม่ได้ฆ่าเพราะว่ามันมีผู้เห็นผมก็เลยไม่ฆ่าอาจารย์ก็มองออกแล้วว่าคนไหนมีภูมิธรรมคนไหนมีปัญญาก็ปรากฏว่าคนแรกคนแรกนี่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องเลยก็ให้กลับบ้านไปส่วนชายคนที่สองก็เห็นว่าอ๋อเป็นผู้มีชาต ร, รู้ตัวเป็นนะก็เลยรับไว้อยู่จนนับปฏิบัติทีนี้โยมฟังนิทานแบบนี้แล้วเนี่ยโยมเข้าใจว่ายังไง สาธุค่ะหลวงพ่อขอบคุณในความกรุณาในการเล่าฟังไปแล้วก็คิดตามแต่ก็เห็นการกระทําของทั้งสองคนแต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงอะค่ะก็ไม่รู้ว่าคือคือเราคิดว่าถ้าเป็นตัวเราอะค่ะหลวงพ่อเราจะทํำยังไงก็เลยไม่เข้าข้างทั้งสองฝ่ายไม่แน่ใจว่าผู้ใดผิดหรือถูกแต่ว่าพระอาจารย์ท่านรับ อีกคนนึงก็เป็นเมตตาของท่านที่ท่านต้องมีปัญญาเหนือกว่าแต่ว่าอิงยังน้อยนักก็เลยไม่สามารถที่จะจัดหรือว่าแบบตัดสินได้นะค ะ, ะเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนเนาะทานของหลวงพ่อเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยด้วยความด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงเนี่ยคือมักจะไม่ค่อยรู้จักตัวเองไม่รู้ตัวเองเลยแต่ถ้าเอาตัวเองไปรู้เนี่ยรอบรู้มากเหมือนชายคนแรกชายคนแรกเนี่ย อาจารย์บอกว่านะเอานกไปฆ่านะแต่อย่าให้มีใครเห็นอ่าชายคนแรกก็เอาตัวเองเนี่ยมัวแต่มองหารอบตัวอยู่ว่ามีใครไหมมีคนมาแอบมองหรือเปล่ามีใครมาดูไหมมีใครอยู่เราแวกนี้ไหมใกล้ๆไหมอย่างเนี้ยคือดูไปทั่วหมดแลละสุดท้ายก็ไม่พบว่ามีใครอย่างเนี้ยชายคนแรกเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเป็นเขาไม่ได้รู้ตัวเองเลยนะไม่รู้จักตัวเองเอาแต่ตัวเอง่รู้จัก สิ่งที่อยู่นอกตัวนะส่วนชายคนที่สองเนี่ยก็ตอนแรกก็เหมือนกับชายคนที่หนึ่งั่นแหละก็ดูรอบตัว ด, ดูนู่นดูนี่จนกระทั่งว่าไม่มีใครเออไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเลยนะแต่พอตัวเองจะฆ่านกแค่นั้นแหละมาเห็นตัวเองขึ้นมาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะฆ่านกแล้วตัวเองมีพฤติกรรมมีกิริยาท่าทางจะทำอย่างนั้นจะทาอย่างนั้น พอชายคนที่2เห็นตัวเองปั๊บแบบนี้ชายคนที่2ก็เกิดมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นก็คือว่าความรู้ใหม่คืออะไรความรู้ใหม่คือรู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ตัวเราได้ <Okay. S 1> ไ ม, มันจะต่างกับคนแรกนะคนแรกเนี่ยมันไม่มีธรรมชาติที่รู้ตัวตัวเองแต่ชายคนที่สองเนี่ยมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ตัวเองว่าตัวเองไงกลังจะทาอะไรตัวเองจะบีบคอนกแล้วก็รู้ ตัวเองหันซ้ายหันขวาว่าเออ Jasmine, ดูที่มีใครมาดูเราหรือเปล่าก็มีธรรมชาติอันหนึ่งก็รู้ตัวเราว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นชายคนที่สองเนี่ยจึงเกิดปัญญาทําให้รู้จักธรรมชาติที่รู้ตัวเขาเองที่รู้ตัวเขาเนาะ <être S 2> เขาจึ<ค>งแยกได้ว<ร>่าไอ้ตัวเขาก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่อาจจะเพิ่งรู้จักครั้งแรกในชีวิตว่าอ๋อธรรมชาติที่รู้ตัวเรามันก็มีอยู่นะ เนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็เขารู้เราได้นี่ยเออแล้วก็ชายคนนี้อาจจะฉลาดถึงขนาดว่าถ้านึกถึงอดีตก็อาจจะเข้าใจได้เลยว่าโอ้ยธรรมชาติที่รู้ตัวเรานี่เนาะมันมีมานานแล้วเพราะเวลาเราทําอะไรมันรู้เราหมดเราโกหกมันก็รู้เราจะหนีไปเที่ยวเพื่อหลบพ่อหลบแม่ว่าเราหนีไปเที่ยวแต่มันก็รู้ตัวเราว่าเราาหนีเที่ยวแล้วหรือเราเนี่ยสมมติเราเป็นนักเรียนเนาะเราโดนล้มอะ เออเราโดดร่มเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเป็นนักเรียนโอเวลาเราจะโดดร่มเราหนีครูแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งรู้เราว่าเราโดดแล้วเราโดดเราปีนทางกําแพงเราดีเราหนีไปทางไหนมันรู้เราหมดอันเนี้ก็เลยเข้าใจเลยว่าโอ้ไอ้ธรรมชาติรู้เรานี่เนอะเป็นธรรมชาติที่มันพ้นไปจากตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่เราแต่มันรู้เรานะตรงเนี้ยหลวงพ่อก็ต้องการอยาจะบอกยอมเองหรือทุกๆคนที่อยู่ในห้องเนี่ย ว่าธรรมชาติรู้เราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไม่รู้จักพอไม่รู้จักเสร็จแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะพ้นทุกพ้นทุกเนี่ยตัวเราก็ไปหาหาอะไรก็ไม่รู้มีแต่ตัวเราไปหาไปหาไปค้นแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ตัวที่มันไม่ทุกไอ้ตัวที่มันไม่เป็นทุกอ่ะมีอยู่ตัวไหนล่ะตัวที่ไม่เป็นทุกไม่มีทุกก็ไอ้ตัวที่รู้เรานั่นแหละไอเนี้ยไม่เคยมีทุกข์ไม่เคยมีสุขมีแต่รู้แย้ง รู้แจ้งในตัวเราเนาะรู้ในตัวเรามีอะไรมันรู้แจ้งหมดเลยตัวเรามีมีทุกข์มันก็รู้แจ้งตัวเรามีสุขมันก็รู้แจ้งตัวเราเฉยเฉยมันก็รู้แจ้งตัวเราแบบนิ่งสบายแล้วมันก็รู้แจ้งตัวเราเป็นอะไรมันรู้เราหมดเลยแต่ไอ้ตัวมันอ่ะมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวเนาะมันก็เลยไม่ได้เป็นเราและมันไม่เคยเป็นอะไรเลยมีแต่ความรู้แจ้งเท่านั้น ธรรมชาติอันนี้เมื mm ่อกี้โยมหนุ่ยนุยก็บอกไปแล้วบางทีอาจจะเรียกว่าใจก็ได้อาจจะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้อาจจะเรียกว่าพุทธก็ได้อาจจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้อาจจะเรียกว่าจิตดั้งเดิมก็ได้แล้วแต่จะบัญญัติแต่คุณลักษณะอันเดียวกันคือเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากสังขารทั้งปวงคือพ้นทุกไปแล้วเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นอะไรกับอะไร ทีนี้โยมเองฟังแบบนี้เห็นภาพไหมแล้วรู้ทางออกจากทุกข์แล้วยังเห็นภาพค่ะหลวงพ่อก็คือเมื่อสามปีก่อนก่อนที่อิงจะมาฝึกโยคะก่อนที่โยมจะมาฝึกโยคะอะค่ะก็มีความรุ่มร้อนลาคาญใจทุกเล็กเล็กของมนุษย์ทั่วไปอะค่ะที่ถ้าไม่สุขทุกเฉยๆวนเวียนน่าเบื่อจังเลยก็เลยอยากจะค้นหาความสงบเลยลองฝึกโยคะแล้วก็ตามหาอาจารย์ที่จะสอนให้เราเข้าใจถึงโยคะจริงๆได้เพราะว่าเรา เรารู้จลิตเราว่านั่ ง, งเฉยเฉยหรือว่านั่งธรรมะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางอะคะ่ะก็เลยไปแล้วก็เจอมาสเตอร์ที่ที่ที่สอนคล้ายคหลวงพ่ออะไรค่ะท่านก็มองแล้วท่านก็บอกว่าแต่เป็นไทยประมาณว่ารู้ไหมว่าการที่เธอพยายามวิ่งหาสิ่งโน้นสิ่ง น, น, งนี้สิ่งนั้นแท้จริงแล้วความสุขมันอยู่ในตัวเธอเอง ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจจนวันนี้ค่ะได้มาฟังหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องไปหาอะไรใดๆเลยธาตุรู้หรือว่าสิ่งที่ที่คุณหนุน่ยหนุ่ยญรติาราเป็นธาตุรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนที่จะเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็เห็นมันนะคะกราบสาธุคะ่ะหลวงพ่อวิธีการถ้าวันเนี้ยฟังแล้วยังไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะ โยมก็เอาลูกแมวไปตัวหนึ่งถือลูกแมวไปตัวงแล้วดูที่ว่ามีใครเห็นเราไหมเนาะแล้วโยมจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัวร์เลยนะหรืออาจจะไปทำอะไรก็ได้ก็จะทำให้เข้าใจเลยว่าโอ้เราตัวเรานี่นะจะไปทำอะไรไม่ว่าจะในที่ลับที่แจ้งฮนะธรรมชาติรู้มันรู้เราหมดเลยปกปิดไม่ได้เราลองสั่งดูที่บอกว่าแกอย่ารู้ได้ไหมแกอย่ารู้ได้ไหมเนี่ยเราจะทำอย่างเนี้เราจะทาไม่ได้เขารู้ตลอดเลย ทนี้ถ้าแยกเขาเรียกว่าแยกระหว่างธาตุรู้กับตัวเราได้เนี่ยตรงนี้มันจะทําให้ชัดเจนว่าตัวเราคือตัวทุกข์ตัวเราคือขันห้าแต่ธาตุรู้มันไม่ใช่ขันห้าเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันพ้นไปจากความปุงแต่งคือมันพ้นไปจากทุกสิ่งนะมันพ้นไปจากทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้นะไม่ว่าอะไรที่ปรากฏในโลกนี้ธาตุรู้รู้ได้หมดแต่ธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏ ธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่เรียกว่าอย่างนี้ที่ไม่ปรากฏเพราะอะไรอ่ะไม่มีใครที่จะไปหาธาตุรู้เจอว่าธาตุรู้อยู่ที่ไหนยังไงมีแต่ธาตุรู้เนี่ยรู้เราว่าเราไปหาหรือว่าธาตุรู้เนี่ยจะรู้เราหมดเลยว่าเราจะทํำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับธาตุรู้เนี่ยเช่นไปมองหาไปค้นหาเนี่ยธาตุรู้รู้เราเราหมดเลยว่าเอเราเนี่ยกำลังค้นแหละกำลังหากําลังคิดค้นอะไรมันรู้เราหมดอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ รู้จักธาตุรู้อย่างเนี้ยรู้จักด้วยปัญญาเนาะไม่ไม่รู้จะรู้จักด้วยวิธีไหนก็รู้จักด้วยปัญญ า, Rapid, Savior, ญญาว่าธาตุรู้ padding, มีอยู่จริงแต่มีอยู่อย่างไม่ปรากฏ <s ades> ตัวไม่ปรากฏรูปลักษ์รูปพันธสันตานใดๆมีอยู่ธรรมชาตินี้มีอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้พูดถึงว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดทําไม่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏมีอยู่เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยว่าธรรมชาตินี้แหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดก็มีอยู่ ส่วนธรรมชาติที่เกิดธรรมชาติที่ปรากฏก็มีอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันมันไม่มีทางที่จะเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็หมายถึงว่าธรรมชาติใดที่เป็นธรรมชาติเกิดธรรมชาติใดเป็นธรรมชาติปรากฏสิ่งนี้มันก็แค่เกิดแค่ปรากฏแล้วก็ดับไปหมดไปส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติที่ไม่เกิดเนี่ยไม่มีการปรากฏไม่มีการดับมันเป็นธรรมชาติคนละประเภทกันอย่างเด็ดขาด เป็นเช่นนั้นตลอดไปอถ้าถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะหลวงพ่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างอะไรอะสมมติว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวก็ได้นะเพื่อพอให้เป็นแนวทางเนาะอย่างท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเปรียบเทียบกับก้อนเมฆเนาะกับนกก็ได้เอวันก่อนโยมโยมหนุ่ยหน่ยบอกว่าก้อนเมฆดีกว่าก้อนเมฆมันม่เยอะนะว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ที่เป็นของของมันมันเป็นเช่นนั้นคือเป็นท้องฟ้าส่วนก้อนเมฆ มันก็เป็นก้อนเมฆซึ่งมันไม่ใช่ท้องฟ้าแต่ก้อนเมฆเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในท้องฟ้าแต่มันเป็นคนธรรมชาติคนละประเภทกันนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนเมฆจะไปเป็นท้องฟ้าก็ไม่ได้ไอ้ท้องฟ้าจะเป็นก้อนเมฆก็ไม่ได้ต่างเพราะฉะนั้นท้องฟ้าก็คือท้องฟ้าเป็นไปแบบตลอดกาลเมฆมันก็แปรปวนแล้วก็เคลื่อนไปขึ้นมาตลอดกาลเหมือนกันมันจับไฟกันไม่ได้ ทีนี้ถ้าเรารู้จักธรรมชาติสองประเภทนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เหมือนกับว่ามันไม่สับสนในทางปฏิบัติไม่สับสนเพราะว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสับสนคือมันมั่วไปหมดคือมันยังไม่รู้จักว่าธรรมชาติมันมีสองประเภทแค่นี้เองทีนี้มั่วยังไงมั่วก็คือว่ามันจะไปจัดการในธรรมชาติที่ที่ปรากฏนะแต่มันจะไปจัดการธรรมชาติที่มีเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเออพยายามกดพยายามข่มเพื่อไม่ให้มันมีเพื่อไม่ให้มันเกิดไงยม แล้วทําให้สําเร็จหรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอนัตตาซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเข้าใจแบบนี้ก็คือก็คืออะไรปรากฏขึ้นก็คือรู้ไงพอรู้เนี่ยเป็นธาตุรู้เนาะอะไรเกิดขึ้นก็คือรู้อะไรดับไปก็คือแค่รู้ก็ใช้หลักก็คือรู้รู้สิ่งที่กําลังเกิดรู้สิ่งที่กําลังปรากฏก็แค่รู้อย่างเนี้ยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยแต่การรู้เนี่ยบางทีโอเคใหม่ๆมันก็ยังเป็นเรารู้เนาะแต่ว่าเมื่อเข้าใจ ก็จะเข้าใจได้เองว่ารู้เนี่ยมันรู้ของมันเองไม่ใช่เรารู้ก็เหมือนกับตัวอย่างที่ไปฆ่านกอะเห็นไหมไอ้ที่มันรู้เราเนีไม่ใช่เรารู้นั่นตรงนั้นอ่ะมันร้อยเปอเลยว่ามันรู้เราเฮ้ยอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้ร้อยเปอร์ซนอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ใช่เรารู้แต่มันรู้เราทีนี้ถ้าเราปฏิบัติรรมจนเข้าใจในเรื่องรู้เราแล้วเนี่ยนั่นแหละความเป็นเรารู้ก็จะจะหมดไปจริงเขาบอกว่าความเป็นอิสระที่แท้มันไม่ใช่ว่าละสิ่งหนึ่ง เพื่อไปเอาอีกสิ่งเงินโดยเฉพาะผู้ภาวานามักจะละความวุ่นเพื่อไปเอาความสงบละความมีเพื่อไปยึดเอาความไม่มีนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือรู้ไม่ใช่ละรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกรงที่ขังเนี่ยเรดดอนอิสฉภาพนั้นน่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงๆแต่ว่าเป็นเราต่างหากที่สร้างขึ้นมาเองต่างหากนะหลวงพ่อก็เลยให้เน้นาให้กลับมารู้นี่แหละนะคะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่า ในการปฏิบตัติบางคนเนี่ยปฏิบัติเพื่อที่จะหลีกหนีนะคะบางท่านก็มาปฏิบตัติหรือว่ามาเมาทางธรรมเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเพื่อที่จะมีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะเข้าถึงหรือต้องการความสุขต้องการความอิสระที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราปฏิบัติเพื่อไม่ได้อะไรเลย อันนี้คือคําตอบที่แท้จการปฏิบัติปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะจริงๆถามว่าได้อะไรต้องถามหลวงพ่อได้อะไรไหมคะมันไม่มีผู้ได้ได้ไม่มีผู้เสียมีแค่ไธรรมชาติที่มันเกิดเกิดดับๆับกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับทีนี้หลวงพ่อจะชี้เออตรงนี้ก็ได้อะสมมติว่าหลักการมันเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยคือต้องรู้ปัจจุบันเนอะรู้ตัวปัจจุบันสมมติเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเป้าหมายทุกคนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย มันต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายคือความดําริความคิดซึ่งความดําริหรือความคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันที่ที่มันมีแหละเวลานอนหลับนะโยมลองสังเกตดิเป้าหมายก็ไม่มีนะความดําริก็ไม่มีมันมีตอนที่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่มันมันผุดขึ้นมาว่าว่าจะมีเป้าหมายตรงนี้แหละโยมไอไอตรงที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมันกําลังปรากฏเห็นไหมก่อนนั้นมันไม่ได้ปรากฏแล้วมันก็ปรากฏ เป็นการดำริหรือเป็นการคิดขึ้นมาแล้วก็ดูต่อไปอีกว่าไอไอการปรากฏเนี่ยต่อมามันก็หมดไปคือมันความดำริก็หายไปความคิดก็หายไปความตรงนี้เลยชี้เห็นว่าความคิดก็ดีความดำริก็ดีเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวตนของใครที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเลยไม่มีมีแต่สิ่งเกิดดับเกิดแล้วก็ดับไปมันจบลงแค่นี้พอมันเกิดเกิดก็คือเขาเรียกว่าปรากฏเนาะ แล้วพอมันดับคือมันหมดเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ไ ม, ไ, มไม่มีอยู่จริงมันมีแค่จริงอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดับไปจริงนิดเดียวจริงแบบไม่จริงอ่ะแล้วก็ดับไปทีนี้ถ้าโยมสังเกตตรงเนี้ต่อไปมันวา ง, ง, เ, ตต ง, ปางเป้าหมายใหม่เนี่แสดงว่าเกิดอีกแล้วปรากฏอีกแล้วแล้วมันก็ดับไปเห็นไหมแล้วก็ต่อมามันเกิดอีกแล้วก็ดับอีกแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่เขาเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเป้าหมายยังไปให้ถึงตรงโน้นตรงโน้นอ่ะไอ้นั้นน่ยมันไม่มีอยู่จริง สิ่งที่มีอยู่ก็คือแค่สิ่งเกิดดับเฉพาะหน้าตรงนี้นี่เองนะวันนั้นเนี่ยถ้ายมเข้าใจตรงนี้ให้รู้เท่าทันเวลามันดมริอะไรก็ตามเวลามันคิดอะไรก็ตามให้รู้ว่ามันกําลังคิดหรือว่ามันกําลังดมริเป็นแค่สิ่งเกิดดับที่อยู่เฉพาะหน้าอย่าเอาตัวเราไปเป็นนะอย่าเอาตัวเราที่จะได้อย่าเอาตัวเราที่จะไปให้ถึงมันไม่มีไม่มีที่จะได้ไม่มีที่จะไปให้ถึงไม่มีเลยมีแค่สิ่งเกิดดับเท่านี้นี่เอง เ <S an> นี่ยมันชัดเจนเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงเนี้ความหวังต่า ง, างๆเนี่ยมันเป็นลมๆแรงๆหมดเลยไม่ได้มีอยู่จริงแต่ถ้าเห็นต้นทางต้นต่อของมันนวะว่าไอ้ที่มันมันให้มีให้เป็นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่ที่เกิดในจิตในใจนี่แหละเออพอคิดปั๊บเกิดแล้วพอหยุดคิดดับแล้วให้แค่รู้แค่เห็นตรงนี้พอเพราะมันมันจบตรงที่เนี่ยตรงที่เห็นตรงนี้ยทีนี้อย่างเนี้ยไม่ไม่เหนื่อยแล้วดิเพราะว่ามันเหนื่อยทําไมล่ะเพราะว่าไม่ต้องไปทําอะไรนี่ แค่เห็นคำก็ดับแค่เนี้มันก็มันก็จบไปแล้วแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้เนาะมันก็เอาตัวเราสิเอาตัวเราไปไปให้ได้ตามที่ดําริไปให้ได้ตามที่คิดอ่ะโอ้ยมันจะได้อะไรมันถูกหลวงมาหลอกหลอกลวงแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เจออะไรอยู่ดีถึงได้มาเจอมามันก็มันก็เกิดแล้วก็ดับให้เห็นอยู่ดีสมมติสมมติว่าสมมติว่าหลงผิดไปแล้วมันดําริหรือมันคิดว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งโคนไม้ตรงนั้นนะตรงนั้นจะต้องมีความสงบแน่เลยเนาะ แล้วโยองก็ไปไปตามที่มันคิดแหละไปนั่งสักภาพนึงเออรู้สึกมีความสุขมากมีความสงบมากแล้วก็พอนั่งต่อต่อไปมันก็หายไปอยู่ดีเห็นไหมถึงได้มามันก็เพราะฉะนั้นนาะยยมเห็นอะไรยังว่าทุกอย่างมีแต่เกิดดับแล้วก็มองให้ลึกซึ้งขึ้นมาว่าไอาความเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีแค่สิ่งเกิดแล้วก็ดับอันนั้นแหละมันไม่ใช่ตัวเราแล้วถึงยังเข้าใจผิดว่ามีตัวเราไปได้ความสุขมาโยมดูดิมันยังรักษาไม่ได้เลย เหมือนไปนั่งที่ใต้ต้นไม้เมื่อกี้มันมีความสุขสุดท้ายความสุขก็ดับไปจึงเหลือแต่ตัวเราถ้าเข้าใจว่ามีตัวเราเนาะแต่ตัวเรามันไม่มีอยู่จริงสุดท้ายไอตัวที่ไปนั่งใต้ต้นไม้อ่ะมันก็ตายตัวเราก็ไม่มีรวมความแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่มีตัวตนไม่มีตัวเรามีแค่สิ่งเกิดแล้วก็สิ่งดับเท่านั้นเองทีเรามีสค่สิ่งที่ปรากฏ แล้วก็สิ่งที่ไม่ปรากฏก็ได้นะคะใ่คุไอ้ครัก็คือมันมีอีกสิ่งหนึ่งนะ ก, ก็แค่นี้แหละธรรมชาติสองประเภทเองคือสิ่งเกิดดับกับสิ่งไม่เกิดไม่ดับแค่นี้เองปฏิบัติเนี้ยก็คืออย่าไปหลงกับภาพมายาซึ่งถูกหลอกถูกหลอนมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วให้รู้เท่าทันแค่นะั้นมีแค่สิ่งเกิดสิ่งดับแล้วโดยเฉพาะเห็นตัวเองทั้งตัวเนี่ ย, ยกําลังพูดกําลังคุยเนี่ยเนี่ยกำลังคุยธรรมะกำลังคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้เนี้ย มันเป็นแค่สิ่งเกิดดับเนี่ยตัวนี้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันย่อมไม่ปรากฏอยู่แล้วง่าย ม, มากเลยมันตรงกันข้ามกับสิ่งเกิดดับ